นั่งได้ที่แล้วก็ตั้งสติกาหนดจิตมารู้อยู่กับลมหายใจเรียกว่าอาณาปานสติมีสติรู้ลมหายใจอยู่ ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็เรียกว่าภาวนาภาวนาไม่ได้ยากอะไรเอาลมหายใจยเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสตินะก็มี รูลมเข้ายาวออกยาวท่านพระุองค์ก็ตัดว่าทีข้ังว่าอัด ส, สั้นโตรูพร้อมซึ่งรูลมหายใจเข้ายาวออกยาวชัดๆไม่ใช่รูพ้อวับวับแบมบแบบนะ โูตอนเข้าต้นของลมโูลงไปกลางลมปลายลมจนมาสุดที่จะงอยปากให้เห็นลมสุดเห็นปลายลมจึงเรียกว่าเห็นชัดชัด รูล้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวชัดๆนั่นเวลามันเข้าสั้นก็รู้ทีคังว่าอัดสั้งวารลัดสั้งวาทีหัดสะแปลว่าสั้นรลัดสั้งวาอัดสะสั้นโตรัดสะแปลว่าสั้นรู้ลมหายใจเข้าสั้น ออกสันรู้ชัดๆอีกไม่ใช่รู้เฉยๆรู้ต้องรู้ชัดๆว่ามันเริ่มตน้นนี่คือตน้นลงไปกลางลมสุดมาคือปลายลมตรงลมสุดนั่นเรเรียกว่าปลายจมกูกถ้าเรา มีสติประคับประคองจิตมารู้อยู่อย่างนี้ไม่ให้จิตออกนี้ไปรู้อยู่ที่อื่นพูดง่ายๆก็คือเอาลมหายใจนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติหรือจะพูดยกตัวอย่างให้ฟัง เอาลมหายใจนั่นแหละเป็นหลักเอาง่ายๆเอาสติเป็นเชือกเอาจิตของเราเป็นสัตว์เป็นสัตว์อะไรก็ได้เอาสติภูกจิตของเราไว้กับลมหายใจลมหายใจเป็นหลัก สติให้เหนียวให้แน่นอย่าเผลออย่าขาดจิตจะวิ่งนีอยากลมหายใจไปไปรู้ที่อื่นไปหาอารมณ์อื่นมันมีแค่นี้สติคือเชื่อจิตเราคือสัตว์ ลมหายใจคือหลักหลักมันแน่นนาไม่โค่นไม่ล้มต้องให้หลักมันดีนะไม่โค่นไม่ล้มเชื่อ ก, ก็อย่าให้ขาดจิตของเราออกไปแยบออกไปไหนไม่ได้ ยับปุ๊บตัดปั๊บยับปุ๊บตัดปั๊บเชื่อเราดีสติเรามั่นคงจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือดูให้เห็นต้นลมตอนลมเข้านี่เาเรียกว่าต้นลมเข้าไปเข้าไปเรียกว่ากลางลมแล้วก็ออกมา เห็นมันสุดลมสุดนั่นแหละคือปลายลมเราไม่เห็นต้นไม่เห็นปลายของมันเห็นแต่กลางพอลางๆจิตเราจึงวิ่งหนีไปหาอารมณ์ภายนอกได้ถ้าเราคุมจิตอยู่น่นผูกจิตอย่นี้ตั้งแต่ ลมเข้าต้นลมกลางลมปลายลมเห็นชัดสติไม่เผลอแล้วทีนี้ไม่พอสิบนาทียี่สิบนาทีกิจก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าทำไรมันมีแค่นี้ไนงะไม่มีอะไรลมยาวเข้ายาว อ, อมยาว ทีครางวาอัดสะสั้นโตหลัดสังวาอัดสะสั้นโตอันที่สาม่อที่สามก็เรียกว่าสัพพกายยังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงกายทั้งปวงก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือกายใน มันเข้าไปไหนล่ะมันวิ่งเข้าไปในกายนอกกายอยากให้เห็นให้เห็นอะไรเห็นไม่ใช่เอาตามองนะเอาตาจิตตาใจตาสติให้เห็นกายสัพพกายยังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง ให้เห็นลมหายใจกายไหมายถึงลมนะกายทั้งพวงทั้งหลายทั้งพวงคือกายนอกกายในนี่นให้เห็นลมหายใจวิ่งเข้าไปในกายอยากแล้วก็วิ่งออกมาจึงว่าเห็นกายในกายกายวิ่งเข้าไปในกายแล้วก็วิ่งออกมาเหมือนกับ เาองอุปมาอบใหมเหมือนท่อสูบเหล็กสูบทองท่อลมเขาในช่างเหล็กช่างทองเขาสูบลมเพื่อเป่าไฟให้มันร้อนหายใจเข้าก็สูดดึงขึ้นมาลมก็เข้ามาดึง โลกสูกขึ้นลมก็เข้ามาบังคับลูกสูให้ลงไปชักขึ้นชักลงอย่างนี้ลมก็วิ่งเข้าวิ่งออกให้เห็นมันออกสุดมันเข้าออต้ น, ตนเห็นชัดไหมหละ่ะฮะถ้าหเห็นชัดอย่างนี้ไม่นาน บางทีพ่อพรองค์ก็ให้ผ่อนนะบังคับลมให้ผ่อนลงเบาลงเข้าเที่ยวนี้ก็เบาลงอีกต่อไปก็ให้เบาออกเบาเข้าเบาออกเบาให้เห็นปลายลมให้เห็นต้นลมด้วยนะ ออกมาเบาเบาเบาเเบาเจนลมไปลมมันสุดเราจะเห็นช่วงที่ไปลมสุดมันจะวางจากจะงอยปากของเราขาดกันลมจะขาดลมจะขาดจากจะงอยปาก ตรงลมสุดนั่นแหละฉันเรียกว่าปลายจมูกเอาสติตั้งไว้ตรงนั้นเห็นตรงนั้นแหละแล้วไม่เห็นเดี๋ยวเนี้เออแต่ก่อนก็เคยทําเหมือนกันนี่แหละไม่เห็นไม่ได้สังเกตถึงขนาดนี้พอมาสังเกตถึงขนาดนี้เราได้ความสงบรู้ไหมเออนี่ยคนอื่นเขาก็คงเหมือนกับเราเนี่หละ มีแต่รูลมเข้าลมออกก็ว่าเข้าอย่างนั้นออกอย่างนี้ไม่เห็นต้นของลมไม่เห็นปลายของลมตอนลมออกมาสุดเราไม่เคยดูจิตของเราจึงวิ่งหนีไปทางอื่นได้ถ้าเราดูจนสุดดูให้เห็นเห็นไหมละ่ะสุดไหมฮะวัด ไม่นานมันก็เข้าอีกเห็นต้นลมดูลึกเข้าไปออกมาก็เห็นมันสุดก็เห็นปลายลมเอาแววมามันจะมารวมอยู่ที่จุดเดียวต้นกับปลายเอาแววมาก็ไม่รู้ว่าต้นว่าปลาย ไม่รู้ว่าละยาวว่าสัน้นมันจะสมดุลกันเสมอกันเป็นก้อเป็นกลุ่มเบานิ่มนั่นะกายและหูแล้วจาเป็นยังไลงลมหายใจและหูนิ่มละเอียดลงจนถึงกายลำงับกายลำงับ จิตก็ระงับดับลงลมหายใจระงับดับลงอ่อนลมลงจนลมดับลงเมื่อลมดับจิตก็ระงับดับลงลมกับจิตก็คือกายกับใจนั่นเองเมื่อลมดับลงกายหยาบก็ดับกายละเอียดก็ดับ จิตก็ดำจิตของเราก็จะออกมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่เอกาทิภูเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่รู้รูลรูลู้เฉยอยู่มีอารมณ์สองอุเบกขาคือเฉยอยู่เอกัขตาลม เฮ้อยู่เฉพาะผู้รู้รู้อยู่เฉพาะตัวของเราตัวของเราก็คือผู้รู้คือธรรมชาติว่าเป็นธรรมชาติเราก็จะเห็นธรรมกายกายของเราเป็นธรรมชาติว่าเป็นธรรมชาติ นั่นแสดงว่าได้สมถะหรือได้เจโตวิมุตต้องดูนะดูให้มันเห็นต้นนมเข้ามันเข้าตรงนี้ตรงมันสุดนี่แหละต้นมันก็อยู่ที่นี่ออกมาก็มาสุดอยู่ที่นี่ ปลายลมก็อยู่ที่นี่ไม่รู้จักต้นจากปลายลมจะนิ่มละเอียดลงนี่แหละกายทั้งปวงก็มารวมอยู่ที่จุดเดียวลมเข้าลมออกกายก็ระงับท่านจึงเรียกว่าปัดสัมพยังปัดสัมพยัง ปัดสัมภยังกายสังขารังทำกายสังขารให้ลางับกายสังขารก็หมายถึงลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าอัดซ ส, สะเวลาลมเข้ามันไปหล่อเลี้ยงกายหยาบกายเนื้อกายหนังให้อยู่ได้ แล้วก็ออกมาก็ปัดสาสะออกมาก็อัดสาสะปัดสาสะนี่มันไปปรุงแต่งกายให้อยู่ได้พระพุทธเจ้าองค์จึงไม่เรียกว่าลมหายใจท่านเรียกว่ากายสังขารง่ายๆทำกายสังขารให้ลํงงับดับลดปัดสัมพยังกายสังขาร ทำกายสังขารให้ลํงงับดับลงคือทำลมหายใจให้ดับลงผ่อน ล, ลมลงผ่อน ล, ลมลงเอาไปมาก็ลมหายกายไม่มีก็ได้เจโตวิมุตจิตหลุดพ้นจากลมหายใจจากกายอยากกายละเอียดก็เรียกว่าเจโตวิมุตเจโตก็แปลว่าจิต วิมุตตแปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากกายจากใจกายใจนี่แหละลมให้ใจนี่เรียกว่ากายว่าใจเรียกว่าวิญญาณเรียกว่าขันห้าเึงว่าเจโตวิมุตตกจิตหลุดพ้นจากขันห้าชั่วชาญสกดไว้ชาญมันสกดขันห้าเอาไว้ คมคันหาเอาไว้เหมือนกับหินทับหญ้าได้ชั่วครู่ชั่วคราวท่านจึงเรียกเป็นภาษาบาลีว่าวิกวิกขมภณนะวิมุตติวิกขมภณนะภาษาบาลีแปลเป็นไทยไปว่าสะกดทานสะกดกิจทานสะกด ขันห้าข่มขันห้าเอาไว้เรียกว่าวิกขมพนวิมุตต์หลุดพ้นจากขันห้าชั่วชาญสะกดไว้เราก็จะเห็นจิตแท้ใจเดิมของเราเป็นสภาพลูลูลูลู ล, ลูเป็นธรรมชาติลูลูลูลูอยู่เฉย ท่านจึงเรียกว่ามีอารมณ์สองอารมณ์หนึ่งคือรูู้ ล, ลูอยู่อารมณ์สองคืออุเบกขาท่านจึงเรียกว่าอุเบกขาเอกดคตดามลมรู้รู้อยู่เฉยๆเนี่เห็นไหมเห็นต้นลมไหม ฮอไม่ใช่มานั่งเล่นดูเล่นเห็นปลายลมไหมเห็นลมเข้าเห็นลมออกไหมเห็นลมสุดไหมเห็นต้นลมไหมเห็นปลายลมไหมฮะทำอยู่สิบปีมันก็ไม่ได้นะถ้าไม่ดูอย่างนี้ไม่สังเกตตัวสตินั่นแหละภาษาัไทยเรียกว่าสังเกต พิจะะารณาซ้อมเล่าอีสานว่าซ้อมตัวสตินี่ซ้อมให้เชียงใหม่ไม่รู้จักซ้อมดรอกซ้อมคือพิจารณาพิจารณาดูซ้อมดูแนบบังสังเกตเบังลมเข้านี่เรียกว่าต้นของมันเข้าไปเข้าไปออกมาเขาเรียกว่ากลางลม ออกมาสุดปัดเรียกว่าปลายลมเอาไปมาไม่รู้จากต้นลมปลายลมกลางลมก็เป็นมาลู่อยู่ที่จุดเดียวทิแหลกเราจะตามลมไปให้กลางลมไปปลายลมตามดูอยู่อย่างนี้ตามรู้ตามเห็นอยู่อย่างนี้ถ้าใครไม่ได้ตามดูตามรู้ตามเห็นอย่างนี้ตัวจิตเรามันจะแวบ เย็บ yeah. ออกไปทันทีนะถ้าเราตามดูตามรู้ตามเห็นอยู่ตั้งแต่ต้นเป็นกลางเป็นปลายเห็นอยู่ไงหมุนอยู่อย่างนี้นี่วินวินคือหมุนลมมันจะหมุนเริ่มต้นที่นี่แล้วจะมาสุดออกที่นี่ถ้าเราสังเกตอยู่อย่างนี้ จิตของเราจะไม่ได้ไปหาอารมณ์ภายนอกมันจะเกิดปีติสุขขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดปีติสุขแล้วก็จะเกิดเอกขัดตาลมง่ายง่ายไม่ได้ยากอะไรเลยแต่เราไม่เคยสังเกต ไม่เคยจับเอาลมสักทีต้นลมกลางลมปลายลมไม่เห็นเอาไว้มามันจะหมุนกันอยู่ต้นกลางปลายต้นกลางปลายหมุนอยู่งี่ออกมาก็เริ่มใหม่ก็เรียกว่าต้นเข้าไปก็เรียกว่ากลาง ออกมาก็เรียกว่าปลายริงว่าวินวินแปลว่าหมุนพระพุทธองค์มาถือเอาลมหายใจนี่แหละเป็นกายเป็นกายในกายละเอียดท่านจึงว่าเห็นกายในกายหรือเรียกว่ากายญานุปัสสนาปฏิปัฐาน เอากายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการสังเกตการพิจารณาลมฐานที่ตั้งเอาลมให้ใจลมให้ใจคือกายเห็นกายในกายเห็นมันวิ่งเข้าไปในกายแล้วก็หมุนออกมา แล้วก็เข้าไปก็หมุนออกมาอยู่นี่จึงเรียกว่าเห็นกายในกายเห็นไหมหลังไม่เห็นเห็นเป็นบางครัง้งเห็นก็ไม่เห็นต้นไม่เห็นปลายมันเสียเปรียบแล้วทีนี้นี่เห็นกายในกายหรือเรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทาน เอากายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งการภาวนาเอากายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งการแห่งสติปัญญาสติเราต้องมาลู้อยู่ที่กายนี่จึงจะเกิดปัญญาถ้าไปลู้ที่อื่นไม่เกิดปัญญาเรียวกว่ากายานุ ป, ปัสสนาปฏิปทาน เอากายกายาก็คือกายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการพิจารณาพิจารณาก็ว่านะวิจัยก็ว่านะวิตกวิจารณ์ก็อันเดียวกันนะอเอากายนี่นะกายหมายถึงกายลมนะ เอาเห็นไหมล่ะวิตกวิจาร์ดูเมื่อลมเข้ายาวเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงนี่วิตกวิจารยอย่างนี้เมื่อลมเข้าออกยาวความรู้สึกว่าอย่างไงอันนี้ก็เรียกว่าวิตกวิจารนะเนี่ยนะ เมื่อลมออกมาสุดปลายจะหมกความรู้สึกเป็นยังไงนี่แหละกายนี่แหละธรรมะธรรมชาติคือลมนี่แหละลมหายใจนี่เยเรียกว่าธรรมชาติหรือเรียกว่าลูกธรรม เห็นกายนี่เรียกว่ากายในกายละเอียดวิ่ง เ, เข้าไปในกายอย่างม <c oughs> ิตกิจารณ์ดูเข้ายาวเกินไปเป็นยังไงออกยาวเกินไปเป็นยังไงเหนื่อยไหมสบายไหมถ้าเข้ายาวหนักความรู้สึกเป็นยังไงออกยาวหนักหนัก ความรู้สึกเป็นยังไงถ้าเขาออยาวเบาลงความรู้สึกเป็นยังไงออกยาวเบาลงความรู้สึกเป็นยังไงนี่แหละสะติคือความรู้สึกฮะรู้สึกเป็นยังไงถ้าเบานิ้ม นี่แหละวิตกวิจารณ์อยู่อย่างนี้ถ้ามันนิ่มเป็นยังไงนิ่มละเอียดลงเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงวิตกวิจาร์อยู่อย่างนี้เอาเอาหยาบลองดูทีนี้ถ้าหยาบเป็นยังไงความรู้สึกอะสั้นเกินไปเป็นยังไงเอาสั้นสั้นดูทีนี้สั้นจนมันจะหมดลมสั้นปั๊บ เขาปั๊บไม่เห็นมันยาวเข้าไปออกปับ๊บเป็นยังไงเห็นกายในกายเห็นลมให้ใยวิ่งเข้าวิ่งออกก็เห็นกายนในกายแล้วก็มาวิโตกวิจารณ์ดูวิจัยดูเอาสติกําหนดรู้อยู่อย่างนี้พิจารณาดูอย่างนี้แอบดูอย่างนี้ซ่อมเบื้องยังสิ ความรู้สึกเป็นยังไงอารมณ์เราเป็นยังไงหยาบเกินไปนี่วิจัยธรรมสติถ้าทาอย่างนี้ก็เรียกว่าสติเอาสติมามิตรกวิจารณ์วิจัยดูก็เรียกว่าสติสัมโพธิชนเราได้เจริญเลว้วเอาลมหายใจมาเป็นธรรม บททาบทได้บทหนึ่งทาคือลมหายใจนี่ธรรมาชาติมาวิจัยดูมันยาวเป็นยังไงลมละเอียดเป็นยังไงวิจัยดูอย่างนี้นะลมสั้นเป็นยังไงสั้นเกินไปเป็นยังไงใจจะขาดเตะ หรือเป็นยังไงนี่เรียกว่าวิจัยธรรมถ้าเราทําอยู่อย่างนี้ตัวจิตหรือตัวสติเราจะมาลูอยู่ที่นี่วิตกวิจารวิจัยอยู่ที่นี่ที่นี่ที่กายนี่ที่ลมให้ใจนี่ก็เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงนี่ง่ายๆนีย เราได้ทําแล้วเราได้เจริญแล้วเมื่อใช้ความเพียนเอาสติมาเพียนและลึกรู้มาวิตกวิจัยวิจัยดูอย่างนี้ด้วยความเพียนไม่ให้สติ ให้รู้อยู่ที่อื่นก็เรียกว่าวิริยะเนี่ยวิริยะมันไม่ได้อยู่ไหนวิริยะเพี้ยนตั้งสติคมกิจมารู้อยู่ลมสั้นลมยาวลมเข้าลมออกลมหยาบลมละเอียดอยู่นี่ก็เรียกว่าวิริยะสัมโพชงตัวน ถ้าอาณาปานสติบริบูรณ์เราก็จะได้สติประทานสี่สมโพธ์ชงโพธชงเจ็ดเกิดขึ้นพร้อมๆกันแยกออกจากกันไม่ได้เห็นกายในกาย มันอยู่อันเดียวกันนี่เอาสติคมจิตมารู้อยู่มาเห็นอยู่เห็นกายในกายอย่างนี้ก็เรียกว่าสติสัมโพชงเมื่อให้มารู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกอย่างนี้ เมื่อเอาลมหายใจมาพิจารณาดูมันสั้นมันยาวมันเข้ามันออกมันเกิดมันดับอย่างนี้ก็เรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานเอาลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการกระทำให้เกิดปัญญาเท่านี้ไม่มีอะไร เมื่อดูไปดูมาเห็นล้มเขา่าล้อมออกล้มหยาบล้มละเอียดวิจัยวิจารวิตกวิจารอยู่อย่างนี้เข่ายาวไปยังไงเขาสั้นไปยังไงหยาบไปยังไงละเอียดไปยังไงวิตกวิจารอยู่ยังี้วิจ า, ารณ์หรือวิจัยกเดียวกันเราก็จะเกิดไปติขึ้นมา เกิดปีติความอิ่มอกอิ่มใจช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาปีติเกิดเมื่อปีติเกิดสุขก็จะตามมานี่วิตกวิจารลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเข้าหยาบเข้าละเอียดรู้อยู่อย่างนี้ก็จะเกิดปีติเมื่อเกิดปีติสุขก็จะตามมา เมื่อปีติสุเกิดขึ้นจิตก็รวมเป็นหนึ่งเป็นเอเกิดขาลมเท่านั้นช่วงนี้จิตไม่ได้จรไปไม่ได้วิ่งไปหากามนะจิตมาอาศัยอยู่ในธรรมบทใดบทหนึ่งรือลมหายใจเอาลมหายใจเป็นธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ จิตจะไม่ได้ไปรู้อารมณ์ภายนอกอันดีจะไม่เข้ามาอนาคตจะไม่เข้ามาจิตจะอยู่กับลมให้ใจอย่างเดียวอารมณ์ภายนอกจะเข้ามาไม่ได้เพราะว่าจิตมีจิตเดียวถ้าเอามารู้อยู่ที่ธรรมบทใดบทหนึ่งอ่าอย่างอื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็เรียกว่าจิตของเราเกิดปีติสุขเอกับข้าตาลมขึ้นเท่านี้ นี่แหลปะปฐมฌานก็ว่าไปนั่นแหละเอาไปมามันก็เลยปิติไป ก, ก็เหลือแต่สุขเอกับคัดตาลมดูไปดูไปมันก็นเลยสุขไปอีกมันจะเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเอกับคัดตาลมแล้วก็ได้อั ป, ปนาฌานอั ป, ปนาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ ฌานก็กลายเป็นสมาธิสมาธิกลายเป็นฌานง่ายๆแค่นี้แล้วก็ได้สมถะหรือได้เจโตวิมุตติเอาเอาละวันนี้มันจะหมดเวลาให้เราไปเตรียมตัวเอาเอาละพอเห็นว่าละ่ะเห็นไหมละ่ะเห็นต้นลมไหม เพิ่งจะเห็นเนี่ยเห็นปลายลมไหมโอ้คือเจ๋งเดีวะถ้าเห็นต้นลมปลายลมนี่ก็เริ่มแล้วทีนี้เริ่มจะเกิดปีติแต่ก่อนเราดูไม่ค่อยไม่ได้เน้นตรงนี้ไม่ได้สังเกตตรงนี้จิตของเราจึงหนีออกไปที่อื่นได้ง่ายๆถ้าเราไม่เห็นปลายลมมันสุดมองเย็นชัดๆ มันสุดมันว่างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันสุดมันว่างลงตรงนี้ท่านี้มันมันว่างนานไม่ได้มันใจอยากหัดมันก็เลยต้นเกิดต้นลมเข้าไปอีกหมุนออกมาเป็นปลายลมสุดตายนี่แหละเรียกว่าตายลมสุดนี่เรียกว่าตายแล้วไม่เคยเห็นตาย ถ้าเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยโอ้ยไม่นานนะได้หมดทุกคนเพราะว่ า, าครูบาอาจารย์ไม่ได้เน้นตรงนี้ต้องดูให้มันเห็นชัดๆต้นลมก็กลางลมก็อยู่นี่ปลายลมก็สุดปัดจะเห็นช่องว่างตรงสุดนี่แหละที่เรียกว่าเกิดตายง่าย ในยินแม่ไหทั้งนั้นน่ะรับตาฟังของเขาใจเเห็นเกิดเห็นตายเห็นเกิดเห็นดับช่วงนี้แหละพอเห็นเกิดเห็นดับอยู่อย่างนี้ปีติสุขก็เกิดขึ้นจิตก็จะตั้งมั่นเป็นเอขคาตาจิตเอขคาตาลมทันทีถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้เอาอลบานี้พาเลิก คือฉลองเจดีเศษภาพระทำงานมาหลายก็จะให้ไปดูประเทศอินเดียบ้างดูสถานที่กำเนิดศาสนาพุทธนั่นเป็นยังไงจะได้บันทึกไวในในอะไรล่ ะ, ะบันทึกไว้ ในบัญชีในอารมณ์บันทึกอารมณ์เอาไว้ในว่าครั้งหนึ่งได้ไปในจิตนั่นแหละบันทึกไว้ในจิตจิตส่วนลึกเราไม่เคยเห็นจิตส่วนลึกมันจิตตัวนี้มัน เป็นธรรมชาติเอาอะไรไปบันทึกใส่ก็เต็มไม่เป็นถ้าใครไปเห็นกิจแล้วจะรู้ว่าอออ๋อนั่นมันเป็นธรรมชาติเอาอะไรไปใส่ก็ไม่เต็ม <c oughs> <c oughs> เราเกิดล้านชาติแสนชาติก็มันก็บันทึกเอาไว้นั่นหมด ถ้าผู้ฉลาดก็ย้อนจิตไปดูตัวธรรมชาติตัวนั้นแหละมันจะบันทึกเหมือนกับกองดำในเครื่องบินมันบันทึกไว้หมดเลยเวลาเท่านั้นชาตินั้นพบนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เคยไปอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ เคยเป็นอันนั้นอันนี้มันจะบันทึกไม่หมดคิดส่วนลึกธรรมชาติอันนี้นะเมื่อเข้าไปเห็นธรรมชาติอันนี้จริงว่าแหมมันก็เต็มไม่เป็นครอบจั ก, กรวานเลยธรรมชาติอันนี้กว้างถึงขนาดนั้นไม่มีไม่มี ที่จะพูดนะกิตถ้าเขาไปเห็นยิ่งแล้วยิ่งเราบาเพ็ญภาวานาฝึกกิตให้มีพลังแ ก, ก่กล้ารัศมีของกิตมันจะพุ่งออกมาได้ไปไปเลย